แต่ก่อนนี่ยเราเขาหาเอาแฟนแฟนที่เป็นพระเวลาเขาไปหาแฟนเนี่ยคนโบราณไปทำบุญในวัดในวาเขาพยายามดูว่าคนไหนที่บวชเข้ามาแล้วคือก่อนแต่งงานเขาไปกินทหารแล้วเขามาบวชประเพณีนะบวชเสร็จแล้วเขาก็จะแต่งงานคนไหนเรียบร้อยเพราะมานี่ต้องฝึกต้องหัดต้องฝึกอดฝึกทนนะฝึกปล่อยฝึกวางเรียนรู้อะไรดีมาก นี้โอ้คนนี้เรียบร้อยคนนั้นเรียบร้อยเขามาทุกวนันเขาก็มองดูนี่องค์ไหนบ้างสร้างจังหวะเนี่ยองค์ไหนง่วงบ้างเขาดูโอ้ยองค์นี้ง่วงไม่เอาหรอกออกไปก็ทําไรทํานาคงไม่ไหวมาคงนอนกลางวันแย่เลยแหละขนาดนั่งอยู่บนศาลานคนมองมัยังหลับอยู่นี่เขาก็ไม่เอาไม่มีความอดความทนบางทีบางคนนั้นเขามาเอารูนเขามาดูในวัดพระก็เหมือนกันนะ่ะพระก็จะดูโยมนะ โอ้ยมคนที่มาทําบุญทำทานนั่งเรียบร้อยเนาะไม่พูดไม่คุยขยันเสร็จแล้วก็ไปล้างถ้วยล้างจานทําการทํางานปัดกวาดวัดวาดวาดัดโอ้ยถ้าไปเป็นแม่สีเรือนเพ่จะดีอะ่ะนั้นเวลาคนมาถามหลวงพ่อคนไหนบ้างที่มาวัดมาวาเขามีนิสัยจริต ด, ดีโอ้ยคนนั้นดีเด้หลวงพ่อวา่าไปดูเดอ้อคุยกับเขาดูได้เนี่ยนั้นเขาจะไปหาดูตามวัดตามวาเพราะวัดที่เป็นเครื่องชี้วัดชี้บ่งวัดว่าใครดีไม่ดี ปักนั่นเด้พนะคนนั้นนะ่ะรูปลอได้ดีได้หลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าอยโหยรูปลอหาอะไรมันมาวัดครั้งเดียวปฏิบัติสองวันนี้กลับบ้านแล้วมันไม่อดไม่ทนหรอกหยุดหยุดยุดเลิกเลิกบุเป็นตาเสียแตกโอ้เชื่อหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อเขาก็ไม่เอาเห็นไหมคิดอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการคนที่มีความอดทนความเข้มแข็งความขยันเดี๋ยวนี้ขอแต่รูปลอพ่อรวย อะไรนะเขาว่าเดี๋ยวนี้ชอบผู้ชายอะไรนะไฮฮอเฮนสมเหรอไปมาก็คือเราเอาแต่รูปแต่ล่างแต่หน้าตาเลื่อยอยู่กันด้วยไม่ยืดนะไม่ยืดเพราะมันไม่เข้าไปถึงใจนะผู้หญิงนี่จะบ้าตายนะเวลามันดูคอนเสิร์ตเย่ยิงการกัน ร้องหาสวรรค์วิมานอะไรก็ไม่รู้เนะคอมันจะแตกเอาไม่มีมารยาทของกุลสตรีเหียเอาซะเลยยากลำบากนะเหมือนกันเนะ่ะชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นแหละหาเอาซะหาเอาคนที่สงบใ่ไหมเดีย๋ยวนี้สงบไม่สงบก็ช่างเอาแม่มันอนะ ขอเป็นอนุภรยาคนที่แปดกูก็เอาเนี่ยนะอนุภรยาคนที่แปดก็เอานะเดีนี้เริ่มมีปัญหาคนนั้นคนนี้เข้าไปเพาอะไระอา้าขนาดเมียคนเดียวนี่มันยังลำบากอยู่ถ้าเมียสามเมียสิ่มันจะไม่ข้ากันหรยอเคยได้ยินไหมพระอินมีเมียกี่คน อืมมาคมานทบทำบุญทำบุญทำทานนะมาคมานบตายไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีเมีย ส, สี่คนสออุสุยังเออสุชดาสุชดาเนี่ยพูน้อยเดหนึงสุสุชาดาสอง สุธรรมาสุธรรมะสามสุจิตตาสีสุนันทาสุชดาสุจิตตาสุธรรมาสุนันทาเนี่ยมีเมียตั้งสี่คนของเราคนเดียวยังตีกันแล้วอยู่ในบ้านนะคนสองคนอันนั้นไปอยู่เยอะๆลําบากมากะพระอินทร์นี่พระอินทร์คืออะไรพระอินทร์มาจากคําว่าพออนพ อ, ออนสินะหนักโหลดบัดดห์เมียเยอะ บานเล็กบ้านน้อยเราเห็นดูนะพระ อ, อินเนี่ยจะรูปร่างตัวสีอะไรนะเออสีเขียวเพราะว่ามันคิดงานโว้ยยุ่งจนตัวเขียวไปหมดนะคิดมากคิดมากนะ น, นพระ อ, อินเนี่ยฉั้นเราอยญ่อยากเป็นนะอธิฐานทำบุญทำทานก็อขอให้ได้ดวงตาเห็นธรมอย่างดีกว่าอย่าให้ได้เป็นร่ารวยเป็นนางฟ้านางอะไรเธอเห็นไหมรูปนางฟ้าน่ะนางฟ้าเห็นไหมที่เขาวาดรูปไว้นะนะเสื้อในก็ไม่มี นะหนาวแทบตายอยู่ใกล้ก้อนเมฆมันหนาวนมันเย็นนะยังไม่มีเสื้อนุ่งเลยนะยังวาโก้เว้ยหาไม่มีไม่โก้กับเขาอะนั้นเกิดมาในขอให้ดับทุกข์ได้เถอะในชาตินี่ท่านั้นเองจะไปมีอะไรมากมายแค่นี้ก็ทุกข์แทบตายแล้วชีวิตเนี่ย เขาตึงบอกว่าเออเวลาแต่งงานเนี่ยไปหาผัวหาเมียหาคนที่สมควรสมควรกับเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่สมควรนะนะหมาเห่าเครื่องบินก็มีนะไม่สมควรอนะ่ะเราระดับหนึ่งมีคนหนึ่งไม่อยากดึงฟ้าสูงลงมาต่ำออ่งี้คือเราธรรมดาเนี่ยเราก็อยากอะไรเงะมันไม่สมควรไม่สมควรคือ นิสัยอะไม่มีสองอย่างที่สมควรหนึ่งศีลสองความคิดความเห็นศีลคือศีละสามัญญตาคือต้องเหมือนกันน่ะศีลต้องอยู่ระดับเดียวกันสองทิฏฐิสามัญตามีความคิดเหมือนเหมือนกันมีความความเห็นเหมือนเหมือนกันความเห็นต่อโลกเห็นต่อธรรมเห็นต่อการดำเนิชีวิตเห็นต่อการใช้ชีวิตด้วเนี่ยเหมือนเหมือนกันมันเท่าเท่าเท่ากันนะเขาถึงเรียกว่าสมรสไง เราแต่งงานสมรสสมสามารแปลว่าเท่ากันเสมอกันน่ะเสมอสมรสผู้มีรสเสมอกันผู้มีความต้องการแบบเดียวกันมันก็ไปวางแปลนชีวิตได้ดีแต่อหนึ่งมันไม่เป็นหน้านะเห็นโยมคนหนึ่งนี่หนีผัวมาปฏิบัติธรรมนี่ผัวแต่งไปแล้กินเล้าตลอดอะไรประมาณโอ้ตายไม่ไดนะ้ไม่รู้จะว่ายังไงตอนแต่งทีแรกมันก็ไม่กินนะกินแล้วแต่งมันแต่งแล้วมันกิน กิแล้วมึงก็เลิกดีว่ะไม่กล้าไม่อยากเลิกนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจับตีตาจองแลนะ้วเนี่ยเลิกยากนั่นคิดอะไรนี่คิดให้ดีเขาต้องบอกว่าไม่ไปหาแต่งงานหาแต่งงานกับคนที่บริสุทธิ์สะอาดอืออย่างนี้นั่คือหาพระให้เจอละหาพระให้เจออย่าในน้อยเธอไปเอาพระพระนี่จะมีคุณสมบัติอยู่เก้าประการนะถ้าผัวดีนี่หนึ่งสุ ป, ปฏิปโนปฏิบัติดี ปฏิบัติตัวดีๆเนี่ยตัวดีๆไม่มีตัวงามนะไม่มีนะไม่มีหลอนะคุณสมบัติเนี่ยไปหาผู้ปฏิบัติดีสุปฏิปโนอุชุปฏิปโนเป็นคนซื่อตรงเห็นไหมโอชุปฏิปโนยายะปฏิปโนอุชุปฏิปโนเนี่ยคุณสมบัติที่เราจะมาเป็นคู่ครองยายะปฏิปโนสามารถนําความทุกข์ในใจเราออกได้เวลาเรามีปัญหาเนี่ย มีปัญหานะมาคุยด้วยได้อะไรได้เขาปล่อยวางได้ได้อธิบายโน่นนี่เอาอกเอาใจเป็นเราเวลาเราทุกข์เยอะๆเขาอธิบายได้เขาพาได้นะญยาติปฏิปัโนเอาความทุกข์ออกจากใจได้เป็นคนซื่อตรงเป็นคนอุชุปฏิบัติตรงสู ป, ปฏิปัโนเป็นคนดีไม่มีปัญหานะสามีจิปฏิปัโนสามีแปลว่าผู้สมควร เน่เป็นผู้สมควรผู้ควรควรเลยมันควรทุกอย่างควรต่อการต่องานตื่นดึกลุกเช้าขยันกันแข็งน่ะไม่ชวนทะเลาะเราเป็นน้ำเขาเป็นไฟเขาเป็นไฟเราเป็นน้ำอะไรประมาณนปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ใช่เพ่าไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคุยกันได้ไม่ได้แค่นั้นย่ต้องเป็นอาหุนยโยอาหุนยโยก็คือหมายความว่า เป็นบุคคลที่ไปทางไหนคนก็เขาเคารพนบน้อมหน่อยเป็นคนมีศีลมีธรรมนะฮะไม่ใช่ไปทางไหนโอ้โหบักเป็ดใช่ไหมละ่ะตัว น, นี้ ม, นมึงไปเก็บผัวมัตเตสังอะไรนะคือมีหน้ามีตาบางในสังคมระดับหนึ่งก็คือมีคุ ณ, ณธรรม อ, อ, อ่ะอาหูเนโยเป็นบุคคลสมควรแก่สักการะบูชาป้าหูเนโยไปไหนคนก็ต้อนรับไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ดีไม่งามไม่ไหว ถ้า ก, กีเนโยก็เป็นผู้ควรควรได้รับกอดบัตรเชิญมีการเชิญไปน่นไปนี่นะอันเชลีกันนิโยอนุตตลังมืออืมไข่แน่นะเป็นผู้ไขรแน่ว่าเราเรียกนะไปใส่ก็คือไข่แน่นาสิจบเลยคำว่าไข่แน่นี่ เน้นทะเราหาแบบนี้ไม่ได้เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราเอาใช้ธรรมะของพระเจ้าไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาคู่ยังไม่เป็นขึ้จบพอดีแหละปฏิบัติธรรมจิตมัไม่เข้มแข็งไงไม่มสามารถที่ยืนหยัดอยู่บนฐานนี้ได้ก็เลย <S <S <S จังใจกูก็เอาลราขอตลอดนี่เห็นไหมกิเลสมาทางนั้นคุณธรรมมันไม่มีมยากลําบากนะฉนั้นถ้าจะแต่เจ้าพูดไปถึงว่าคุณธรรมของพระ อ, อุปคุตที่สามารถ เป็นกู้ครองคนได้ว่าเป็นเนี่ยคำว่าอุปคุตกายะคุตโตวจีิุโตคือบุคคลผู้มีความสํารวมนี่ยเองจิตสํารวมเยอะๆเนี่ยมีความสํารวมแล้วมัดระวังเยอะๆจะป้องกันเหมือนรั้วป้องกันบ้านน่ะจิตเราถ้ามีอุปคุตอยู่ข้างนอกมันจะสามารถสํารวมให้ทุกข์มาข้างในใจแต่คนไม่รู้จักนึกว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคนนะฮะจริงๆเป็นคุณธรรมนี่ยเองลองหาดูนะพุทธศาสนานี่มันยังไงก็ได้นะ พูดเป็นเปลือกก็เป็นเปลือกเป็นแก่นก็เป็นแก่นแล้วแต่เราจะเอาไปมองเนะี่ยนั่นแต่สติปัญญาเรามีนิทานธรรมะเรื่องเสียวสวัดนะเสียวสวัสดอันหนึ่งคือในสีฉเฉลียวเป็นสามีของเสียวสวัสดนะสีฉะเฉลียวเนะี่ยเป็นคนฉเฉลียวคือเป็นคนที่ฉเฉลียวใจแต่ไม่ใช่คนฉลาด เสียวสวสัสดเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมากเสียวสวสัสดเนี่ยเสียวสวสัสดบ้าน เ, าเขียนเป็นภาษานะสวาสด์เนี่ยเสือวาแวนสลาสอเสือโดเด็กสรีกาลันเสียวสวสัสดนะีเกือบตายเพเราเสียวสวสัสดีคือนิทารื่งแต่ละเรื่อ ง, แ ต, องแต่เรื่องมินเมีต่อการที่จะทุกข์มากๆแต่เขาก็เอาตัวรอดได้เรื่อยๆเพราะสีฉะเฉลียว นะที่เป็นสามีเขาเนี่ยมันมีประโยคหนึ่งเขาท่องคํง า, าเนี่ยท่องคาถานี่ก่อนที่เขาจะไปเป็นปุโรหิตของพระราชาเนี่ยคือเขาไปเรียนหนังสือเขาเป็นคนโง่ามากโอ้โ อ, โอท่องได้แต่คําเดียวคเตสิกาเตสิกิงกระนังคาเตสิห้าบิตังชาลมิชาลมิแปลว่ากูหูเด้อกูหูเด้อกูหูเด้อมึงจะเหตุอย่าง จำได้แต่คำนี้ไปเรียนคาถาคำลือสีมาไม่ได้อะไรเลยผ่านเมืองมาเข้าไปนอนนอนอยู่ในกําแพงพอเผอิญว่าตอนนั้นโจรกาลังเข้าป้นเข้าไปขโมยของในในพระราชวังแกยก็ไปนอนหลับอยู่ ต, ตื่นมาแกขึ้นนอนละเมอเนี่นะกูหูเด้อกูหูเด้อกูหูเด้อมันสเสียงยังโจรว่าให้มีเสียงว่ะวะเนีน่ยนะมันกําลังบุกเข้ามา ดูหอดแล้วนะโชดแล้วก็เกิดมีคนมารู้น่มพอดีพลมันวิ่งออกไปพบทหารในพระราช า, ามาเขาจับไปจับมาเาว่าเกือบเขาพล้นได้แล้วเกือบเขเข้าไปได้แต่เพราะว่ามันมีเสียงเหมือนคนในยามคนเฝ้าอตัวนั้นตรงนีนนนะ้เขาว่าตามมาดูมันยังหลับอยู่เลยสีเฉลี่ยนี่มันยังหลับอยู่เลยนะอืแค่แค่มันจําแคน่นั้เองแหละเหมือนกันเลยท่านสร้างจังหวะที่สร้างไปสร้างมาเวลาท่านหลับนะเวลามันคิดนะกลางคืนมันขึ้นมาเองนะ มันมีนะเข้ากระดูกเนะี่ยความคิดกระดับไปเองนะเห็นไหยหลังคนเอา้าแปลกเว่ยกูนั่งเบืองมันยกมือผู้เดียว <c oughs> นะมันหลับเองเป็นเองนะสีฉเฉลียวอันฝึกไว้เถอะมันไม่เสียหลายหรอกถึงเวลามันแก้ทุกได้อะ่ะนะเอาหันหนะ้าไปทางโน้น